อย่าเอาไปเปิดให้อื้อให้ปิดให้อื้อไปว่า <c oughs> <c oughs> อาการที่เราจะมีข้อสองขึ้นมาได้ก็หมายความถึงว่าการตั้งหลัก <c oughs> <c oughs> เราต้องรู้จักคําว่าตั้งหลักเอเบื้องต้นนี่ก็คือการตั้งหลักใ้เวลาที่จะตั้งหลักทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะทำท่าไหนไอ้วิธีตั้งหลักจะจะชกกันอันนี้เขาเยกว่าให้ปิดไวอ่ามันจะต้องมีมีหลักให้ดีอ่ะถ้าหลักไม่ดีมันไม่ได้มันทำไม่ได้านั้นถ้าหากว่าเอ่อเราจะตั้งหลักคิดว่ามันเรื่องมันใหญ่ขึ้นมาตั้งหลักที่ว่าเราจะคิดเรื่องนี้ให้สำเร็จ ไอ้การตั้งหลักนี่มันจะต้องมีแต่มันจะต้องพร้อมถ้าตั้งหลักไม่พร้อมในี่ยความคิดนี่มันจะทำให้เกิดการพลาดทั้งหรือว่าเกิดการเสียเปรียบหรือเกิดการไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นไอ้การตั้งหลักนี่จึงจำเป็นที่จะต้องมีอะไรให้พร้อมหมายความว่า เราพร้อมมาเก่าแล้วคือพร้อมมาเก่าแล้วแล้วทีนี้ก็มาเตรียมตั้งหลักอย่างที่ว่า เ, เขาจ ะ, ะตั้งหลักแก้ปัญหาในครอบครัวคือเวลานีเ้เกิดมีอะไรขึ้นมาในครอบครัวจะต้องแก้ปัญหาคือปัญหานี้ก็หมายความว่าจ ะ, ะพยายามสร้าง บริษัทโรงงานหรือสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ทันเป็นรูปร่างขึ้นเรียกว่าตั้งหลักในการคิดการวางแผนเรียกว่าตั้งหลักให้ดีอ่ะหมายความว่าจะมีทา่ทาหนีทีไล่หรือว่าทางได้ทําเสียอะไรต่างๆเรียกว่าการตั้งหลักเพราะฉะนั้นเน่ย คนที่เขากำลังจะเข้าสงครามอย่างเงี้ยพวกเสนาธิการทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องออมันจะต้องคิดว่าในขณะนี้เราอยู่ในที่ล้อมออไปด้วยศัตรูแล้วเราจะหาวิธีแหวกวงล้อมไปได้อย่างไรอย่างนี้ถ้าหากว่ามันจะต้องสร้างหลักแก้ไขในฉับพลัน เนการที่จะเกิดฉับคเคลื่อนขึ้นมาได้นั้นต้องมีส่วนประกอบคือความรู้ความฉลาดความสามารถประสบการณ์ความชำนาญเข้าประกอบกับสติปัญญาความรอบคอบสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าหากว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีการตั้งหลักที่จะทำเนี่ยก็ผีแผลมในที่สุด เ, เราสีวงล้อมออกไม่ได้ยังต้องตายอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องออสำคัญอันนี้เรียกว่าพูดเป็นข้อเปรียบเทียบของการตั้งหลักแล้วอาจจะคิดว่าในบริกรรมเนี่ยเพราะว่าเป็นเพียงพุโทโธ เมื่อพูดโทแล้วบริกรรมก็คือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบื้องตน้นแล้วเราก็ไปทิ้งความสำคัญอ น, นันตะอันนี้ที่ทำให้นักสมาธิทั้งหลายได้เกิดการพลาดพลั้งขึ้นมากมายกายกองเราจะเห็นบุคคลผู้ที่ทำสมาธิแล้วได้รับความล้มเหลวแลาบุคคลผู้ที่ ทำสมาธิไปปรากฏว่าเอายอะแยะเจียวเก้าปีสิบปีอะไรเป็นต้นอย่างงี้เป็นแต่ว่าในที่สุดไปเกิดความล้มเหลวนอกจากเกิดความล้มเหลวแล้วยังต้องไม่ประสบผลสําเร็จแล้วอะทําทก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเห็นเขาตรงเขาว่าสมาธิดีก็เอากับเขาบ้างอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องเหตการตั้งหลักไม่ดี หมายความว่า อ, อไม่มีหลักนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะการที่เราจะเริ่มการตั้งหลักมันจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเข้าใจในข้อนี้ว่าอณที่นี้คือใจจะเริ่มรับพลังจากคําบริกรรมเพราะว่า ณที่นี้คือใจจะต้องเริ่มรับคำบริกรรมซึ่งจะเริ่มเป็นแนวทางของการเดินสมาธิให้เป็นการต่อเนื่องเพราะว่ายังไงเสียคำบริกรรมนั้นก็คือใจเรานี่แหละเป็นผู้บริกรรมแล้วก็ใจของเรานี่แหล ะ, ะมันจะต้องมีมีอะไรบ้างใจของเรานั้น จะต้องประกอบด้วยสติปัญญาศรัทธาเราพูดกันถึงเรื่องสติสตินั้นแปลว่าความระลึกได้แปลว่าสติคาว่าระลึกนั้นหมายถึงว่าเราได้จดจำถ้าหากว่าเราจำไม่ได้เนี่ยเราจะเอามาระลึกนี่มันไม่ได้มันจะต้องจำไว้ก่อน พอจำไว้ก่อนแล้วมันถึงจะมาะระลึกได้ทีหลังถ้าเราไม่มีแผนการแล้วเก็บไว้ก่อนเนี่ยเราจะมาะระลึกเอาตอนนั้นมันไม่ได้มันจําเป็นที่จะต้องเราจะต้องมีเอนการจดจําท่องจําหรือว่าอย่างภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยเราก็จะต้องรู้จับรู้แสงรู้วัตถกรณ์รู้ประธานรู้ สิ่งที่มันจะต้องเข้ามาประกอบอันไหนคือตัวประธานอันไหนคือกิริยาแล้วก็ศัพท์นี้แปลว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้พอเรารู้แล้วทีนี้พอมาถึงเวลาที่เราจะอ่านมันก็ระลึกได้ว่าศัพท์นี้เช่นอย่างว่า understand <laughs> ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยเราจะไประลึกได้ยังไงว่าอันจะแทนแปลว่าอะไรอย่างเี้ยเนอะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เขาจะให้มีสติละทีนี้ให้ระลึกว่าอการเข้าใจเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนแต่ทีนี้ถ้าเรารู้มาก่อน เข้าใจเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรก็อันเดอร์สเตนก็ใช้ได้นี่คือการระลึกเพราะฉะนั้นคาว่าสติสติในที่นี้เนี่ยก็คือการระลึกว่ า, าการบริกรรมของเราเนี่ยคือการบริกรรมที่ถูกต้องแล้วและการบริกรรมอันนี้ถูกต้องกับจริตของเราแล้วและกรรมบริกรรมอันนี้เราจะต้อ ง, งยึดไปตลอดชีวิต นี่นี่มันเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอบางคนคิดว่าอ่าบริกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเออต้นต้ น, ตนเสร็จแล้วก็ทิ้งไปนั่นทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องฝังฝังอยู่ในจิตของเราเนี่ยไปจกนกระทั่งเราตายหรือว่าฝังจิตไปตลอดเพราะว่าเรามาเป็นนักสมาธิแล้วอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้น อันนี้คือการละลึกหมายความว่าเราละลึกเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิพับเนี่ยพุโทโธมันขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของว่าเราชนานาญแล้วพอชำนาญแล้วเนี่ยมันมีสติขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเวลาใดที่เราว่าพุโทโธเวลานั้นคือสติได้เกิดขึ้นก็เบาแล้วในขณะนั้น ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราก็นึกพุทโธไม่ได้อ น, นั้นถือว่าสติหายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าพุทโธยังอยู่หมายความว่าสติได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในอันดับของการทำสมาธินี่จึงใช้คำว่าสติขึ้นมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันกับ ที่เขาต้องการอยากจะรู้ว่าความเข้าใจภาษาอังกฤษเขาว่าไงเขาก็ระ ล, ลึกได้ทันทีว่า understand อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราจะทำสมาธิพอทำสมาธิยังไม่ได้ขัดตมาธิกุฏโธมันรออยู่แล้วนั่นคือสติให้เข้าใจว่านั่นคือตัวสติที่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว ทีนี้เราก็ไม่ได้เข้าใจว่าไอ้ตัวสตินี่มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อ, อบางคนก็มาถามหลวงพ่อว่าไอ้สติมันหน้าตาเป็นยังไงหลวงพ่อก็เขียนปลาหมึกซะนั่นสอ้ปลาหมึกเป็นยังไงหนวดมันเยอะเอ่าแล้คนก็ชอบไปกินหนวดมัน <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นแม่จะให้หลวงพ่อเขียนยังไงอ่ะสติมันก็เขียนไม่ได้ แต่ว่าสตินี้มันเป็นนามธรรมบอกว่าถ้าเราเริ่มนึกพุทโธได้สติได้มาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสตินี้มันมีอยู่สองสตินะนะบอกให้สติเขาเรียกว่ามิจฉาสติแล้วก็สัมมาสติมิจฉาสติแปลว่าระลึกเออระลึกผิดสัมมาสติแปลว่าระลึกถูก อย่างนี้ถ้าหากว่าระลึกผิดก็ระลึกได้เหมือนกันล่ะเมื่อวานนี้คนนั้นมันด่าเราเว่าเราเป็นหมาเราก็ดนึกได้กูก็จะต้องด่ามันตอบ อ, อย่างนี้เขาเรียวกว่ามิจฉาสติแต่ว่าเมื่อใดเรามานั่งสมาธิในกุโิอนนั้นต์เขาเรียกว่าสัมมาสติสติชอบความระลึกที่มันชอบ มันถูกต้องและได้ผลมีผลให้เรานั้นได้บุญให้เรานั้นได้พลังจิตให้เรานั้นได้สมาธิเขาเรียกว่ า, าสัมมาสติแต่ไปเราเรือกว่าเ ม, มื่อเมื่อวานเนี่ยมันด่าเราเป็นหมาเนี่ยว่างั้นทีเดียวเราก็จะต้องด่ามันเป็นหมูมั่งอย่างเงี้เพื่อจะได้แก้ล้ำกันทีนี้นก็กลายเป็นพยาบาทอาฆาตจองเวร โมโหชุนเขียวจุดดำเกิดขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาสติเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงนี่แล้วก็ข้อที่สองต่อไปคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงว่าความเข้าใจในตัวของเราเองเขาเรียกว่าปัญญาเข้าใจว่าธรอันนี้มันมีผลเช่นเมื่อเรา เริ่มอสมาธิขึ้นมาแล้วอ๋อตรงนี้เป็นที่เหมาะสมกับเราต่คนที่ปัญญาโลเลก็หมายความว่าไม่แน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะตั้งไว้ตรงไหนแต่คนที่มีปัญญาเข้าใจในตัวของเราอย่างชัดแจ้งแล้วนั่นน่ะเขาจะตั้งได้ทันทีเพราะฉะนั้นตัวปัญญานี้จะมาตัวนำาตัวเบือ้องต้นของสมาธิได้อีกข้อหนึ่ง ก็หมายความว่าเ อ, อการที่เราจะทําสมาธินี่ยเรามาทําที่นครธรรมได้รับผลเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมาเอาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้มันเกิดผลแก่เราเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นนี้มันยากนักที่มันจะได้เมื่อมันมันมีหนทางที่จะได้แล้วเราก็ จะต้องมาให้ถูกตามเวลามาให้ได้รับคำสอนที่แน่นอนและมาได้รับคำสอนที่มีความแจ้งกระจงังทีนี้อันนี้คื อ, อคือสิ่งที่สอนตัวเราสอนตัวเราให้เข้าใจว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเราสอนตัวเราได้พุทโธก็เกิดขึ้นเมื่อมีสติ ต่อมาก็มีปัญญาพุทโธเนี่มันทำประโยชน์ให้กับเราอย่างนี้เราจะต้องยึดว่าพุทโธมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอันทีนี้เราไม่พูดละปัญญากว้างฝวางต่อไปมันยังมีอีกมากแต่เราเอาปัญญาตอนที่ว่าคำบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้นมันก็จะต้องเกิดไอการตั้งหลักขึ้นมาได้ <c oughs> ทีนี้ต่อไป ก็คือขอ้อจิตสามหมายถึงศรัทธาศรัทธานั้นหมายถึงว่าผลสิ่งที่จะทำให้เราเชื่อได้นี่ผลมันต้องเกิดถ้าผลไม่เกิดนี่เราจะไปบังคับกันให้เชื่อไม่ได้การที่จะไปเชื่อนั้นจะไปจับกันหรือว่าบังคับกันให้เชื่อมันเชื่อไม่ได้มันเชื่อได้จะปาก แต่ใจจะเชื่อไม่ได้แต่ถ้าจะให้เชื่อได้จริงๆนั้นผลจะต้องเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตัวอย่างเช่นเมื่อบริกรรมคุตโธในเบื้องต้นแล้วนี่ผลมันออกมาผลมันออกมาดีผลมันออกมาเกิดความสบายผลมันออกออกมาได้พลังจิตโอ้ผลมันออกมาอย่างนี้มองเห็นชัดในตัวของตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้น ความเชื่อมั่นในการที่จะดําเนินการต่อไปก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับเที่เราได้มาเรียนแล้วก็มาเข้าใจตั้งแต่ตน้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันเกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นกับเราเกิดขึ้นว่าสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้เราได้รู้ขึ้นมาสิ่งใดเราไม่เคยฟังเราได้ฟังขึ้นมา สิ่งใดที่มันยังปิดบังอยู่ได้เปิดเผยขึ้นอย่างนี้ก็ทำให้ศรัทธาตัวนี้ก่อตัวขึ้นให้เป็นกำลังเพราะฉะนั้นการก่อตัวของความเป็นเบื้องต้นนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางไว้เป็นหลักสูตรเพื่อที่จะให้ผู้เท่เข้ามาดำเนินการการเรียนการปฏิบัติ หากคริจติระพาะปฏิบัตินี่มาตามลำดับอย่างนี้ให้เป็นการต่อเนื่องเนี่ยมันก็ถึงจะต้องมีการสร้างรากฐานเบื้องต้นของจิตใจที่จะให้การดำเนินไปด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจอเพาะต้องการที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดความสงบอย่างเดียวแลวเกิดความสบายอย่างเดียว แต่รับความรู้อย่างเดียวแต่เรามีความตั้งใจว่าผู้ที่เรียนแล้วจะต้องไปแนะนำคนอื่นได้ด้วยความกระจายแก้งเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่หลวงพ่อจะให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งพอตั้งศูนย์สมาธิขึ้นมาแล้วอาจจะมีพวกต่างประเทศมาอาจจะมีพวกในประเทศมา แล้วก็เอานักศึกษาเราเนี่ยรับผัดกันไปสอนเอเป็นอย่างนั้นพอผัดกันไปสอนแล้วนักศึกษาไปถึงสอนไม่ได้พูดไม่ออกเอาเทบไป <c oughs> เปิด <c oughs> มันก็ไม่ดีเท่าไหร่มันไม่เหมือนก่อนสอนเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาอธิบายในเล่มอีกหน่อยว่าเมื่อ <c oughs> การบริกรรเกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นสมาธิแล้วอันนี้หลวงพ่อก็คงจะพูดแล้วพูดอีกว่าเหมือนกับคนขับรถพอจับพวงมลาลัยพับเขาก็เป็นสมาธิทันทีแอโชเฟอร์พอเข้าขับต่อไปเขาก็คุยกับคนอื่นทั้งทงที่เขาก็คุยและท้งทง ท, งที่เขาก็ มองไปข้างหน้าเยอะแยะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เป็นสมาธิเหมือนกับเราบริกรรมพุทโธอย่างนี้ยเริ่มบริกรรมพุทโธมันจะนึกไปไหนก็ช่างมันแต่ว่าเราก็นึกพุทโธหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเสียงก็ลอกกอกแกกทั้งไจ ท, ทั้งจำทั้งอะไรก็ช่างมันแต่ว่าเราก็นึกพุทโธอยู่อันนั้นคือสมาธิเพราะฉะนั้น เราก็จะรวบรวมใจความเลยว่าบริกรรมนั้นคือการประคองหมายถึงว่าเป็นเป็นการประครับประคองคำบริกรรมนี้คือการประครับประคองและก็เป็นเพียงเบื้องต้นเราจะเอาคาบริกรรมนี้ไปสู่ชานลึกๆรูปฌานอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราต้องการจะไปสู่สมาธิลึก เราก็หยุดทาบริกรมรมเพื่อปล่อยให้ใจเนี้ยเข้าสู่ผวังนอกจากเข้าสู่ผวังแล้วมันก็เข้าฌานไปฌานนั้นอาจจะเป็นรูปฌปานฌานนั้นอาจจะเป็นรูปฌปานก็สุดแล้วแต่ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเวลาไหนที่เราได้ฌานแล้วเราสังเกตได้ตอนที่มันสบายแล้ว เกิดความสบายขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าฌานเพราะฉะนั้นในที่นี้ได้เปรียบเอ่การบริกรรมนี้เหมือนกันกันกบเด็กใจของเราที่ได้เพิ่งมาฝึกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าใจของเราเนี่ยมันยังเป็นเด็กคล้ายๆกับเด็กอ่อนการทำมั น, นเด็กอ่อนเนี่มันต้องมีคนคอยอุ้มเราปล่อยไว้ก็ตายมันเดินไม่ได้เด็ก จะจาเป็นต้องประคับประคองไปไม่ใช่ปีเดียวมันต้องประคับประคองกันไปหลายปีใช้เป็นเวลา น, านานกว่ามันจะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันเป็นคำบริกรรมที่เหมือนกันกับเด็กจึงใช้คำบริกรรมเมื่อเราไม่ใช้คำบริกรรมแต่จิตของเราก็สงบได้อันนั้นกถถ็ถือว่าเป็นสมาธิ อย่าไปฟังหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกว่าคำบริกรรมสําคัญก็เลยใช้คำบริกรรมตะบรนนังไปอย่างนั้นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีเวลาที่หยุดคำบริกรรมซึ่งเราก็จะได้อธิบายต่อไปอีกขา้างหน้าอแต่ว่าคำบริกรรมนั้นะบางคนก็เขาก็ขวดว่าคำบริกรรมอันนี้เขาดีกว่าคนนั้นก็บริบรทวดว่า ครกรรมของฉันก็ดีกว่าหรือว่าอย่างเราว่าพุโทโธพุโทโธก็ดีกว่าเอรคะนั้นก็แก่กว่าเราอันนี้พูดอย่างนี้ผิดทั้งนั้นเพราะว่าครกรรมนั้นเ อ, อเป็นส่วนเพียงการประคับประคองใครจะบริกรรมอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเ อ, อจิตมันตั้มอยู่ได้ถือว่าใช่ได้ <c oughs> แต่การทําสมาธิแต่ละครั้งนั่นก็เท่ากับเป็นอาหาร ดังนั้นําบริกรรมเบื้องต้นจึงถือว่าเป็นอาหารสำหรับเด็กอ่อนฉะนั้นการบริกรรมจึงเป็นเรื่องของเบื้องต้นจึงมีความหมายเฉพาะเบื้องต้นอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีเบื้องต้นในขั้นต่อไปจะมีได้อย่างไรแต่ขอทงความเข้าใจต่อนักศึกษาเท่านั้นให้พึงทราบว่าเหตุผลของการบริกรรมคือความเป็นไปตามระยะการ อันจะต้องมีตามการเวลาแต่ว่าแม้จะเล้าไกลไปแล้วสำหรับสมาธิก็ใช่ว่าจะไม่ใช่บริกรรมเลยไม่ได้ต้องใช้บริกรรมไปตลอดเช่นอาหารอ่อนก็ต้องใช้ในคราวจําเป็นของร่างกายในบางครั้งคำว่าอาหารอ่อนต้องใช้ในความจําเป็นในบางครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า การบริกรรมนั้นออจะไม่ใช้ในในทุกกรณีเช่นอย่างเราทําสมาธิเนี่ยออคนจะมีจิตไปถึงไหนถึงไหนก็ตามหมายความว่าคนนั้นอาจจะสำเร็จอรูปฌานออบุคคลคนนั้นอาจจะสำเร็จอริยะบุคคลหรือ ว, ว่าไปชั้นสูงแล้วแต่ว่า เวลาที่เขาจะเข้าจิตเนี่ยเขาจะต้องเข้าแต่เบื้องต้นทางนั้นต้องเข้าคำบริกรรมก่อนอย่างทเทพพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปริณิพาน์พระองค์ก็เข้าปฐมฌานทุทธยฌานตัติฌานจตุติฌานแล้วก็อรูปฌานไปถึงแนววสัญญา แล้วก็ถอยแนววสัญญากลับมาถึงจตุทชานแล้วก็มาเข้าปฐมฌานอีกเมื่อเข้าปฐมฌานเสร็จแล้วพระองค์จะต้องเข้าทุาาติยฌานสติยฌานจตุทชานแล้วก็ไปสิ้นใจคือปรินิพานตรงจตุทชานแล้วแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไปเกิดเป็นพรหมเพราะว่าเป็นจตุทชาญ ออ้ชานเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า เ, เมื่อใครไปอยู่ในชานนี้แล้วก็จะต้องไปเกิดในพรห อ, อตามชานนั้นๆแต่ว่าจิตอยู่ที่จิตเมื่อจิตนั้น อ, อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือหมดกิเลสนั้น่เ อ, อถึงแม้ว่าจะเข้าชานก็เข้าไปแต่ว่าจิตนั้นได้หมดกิเลสไปแล้วอย่างนี้ ท่านก็ไปสู่พระนิพพานอันนั้นเป็นอีก เ, เรื่องหนึ่งไอ้ที่อธิบายมาเนี่ยต้องการให้เข้าใจว่าปฐมมาฌานก็คือการบริกรรมถ้าไม่บริกรรมไม่ได้เรีย ก, กว่าปฐมมาฌานเพราะฉะนั้นถึงจะไปแค่ไหนไอ้การที่ทำในเบื้องต้นนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นในการอธิบายวันนี้ ก็ให้เข้าใจว่าคือการตั้งหลักคำบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้นก็จริงแต่ว่าคำบริกรรมคือการตั้งหลักตั้งหลักนั่นมีอยู่สามสติปัญญาศรัทธาสามอย่างอันนี้คือหลักแล้วก็การดาเนินจิตก็จะดำเนินไปได้ เป็นการต่อเนื่องอจบก็จบเ <c oughs> นี่นถามลงไปเบอร์ไหนเนี่ยฮะอันนี้มัน 6, 7กเจ็ดแปดนี่โ อ, อ, อ้เจ็ดศูนสองใช่แล้ว <c oughs> การถามตอบนั่นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเวลาใครจะถาม หรือเวลาใครมีอะไรสงสัยก็ปเปิดเผยในใจของเราถือว่าพูดที่มาอยู่ด้วยกันนี้ก็ถือว่าสิดอาจารย์เดียวกันจะพูดอะไรก็คงจะไม่เป็นปัญหาหลวงพ่อเองก็ถือเป็นูกสิตก็อาจารย์แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะถามก็าถามได้ตามอธิยาสัยวันนี้ จะต้องถามให้เยอะๆหน่อยแต่เยอะเนี e ่ยหมายความว่าหลายๆคนไม่ใช่ให้ถามคนหนึ่งเยอะๆึ้นต้นด้วยคุณบรรจงสุดประเสริฐเจ็ดศูนยสองใช่ไหมหลักวิปัสการท่าอาจารย์ก็คิดว่าการทำสมาธินี่ เราต้องการที่จะสะสมพลังจิตของเรามากกว่าส่วนอื่นนั้นขอให้เป็นเรื่องที่เป็นผลพลอยได้เล็กๆ น, น้อยแต่ส่วนจริงๆแล้วการทาสมาธิจุดมุ่งหมายคือพลังจิตหรือว่าเป็นเรื่องสาคัญอ่ขอบคุณครับอาจารย์คงตอบได้่วนนี้อ่ตอไปขอเชิญคุณบวรไห้สินทรพิท สลับและมัสการพระอาจารย์อาจจะเป็นที่รักคุ้นของพวกเราทุกคนนะครับเสิทธิมีคําถามคําถามหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดจิตนะครับผู้อาจารย์เช่วงที่เรียนผู้อาจารย์ที่คุณพ่อให้เนี่ยเอามาเพ่งกําหนดจิตีไ ป, ไปที่พระเครื่ององค์นั้นนะครับนั่งไปสักระยะหนึ่งประมาณคิดว่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าขณะที่จิตกําหนดจิตไปทางองค์พระพุทธคุณนั้นเนี่ยจะมี จะจิตนี่จะจะหลุดไปทางเพราะทุกคนมีจะมีแสงอันหนึ่งครับหลุดทำให้จิตเข้าสู่รวังแล้วก็จะมีแสงแพร่ออกไปแต่ช่วงนั้นที่จิตเป็นเด็กนี่จิตกลัวเพราะว่าได้ยินบางบางท่านบอกว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติทางนี้โดยโดยทําสมาธิคนเดียวเนี่ยโดยไม่มีครูบาอาจารย์อาจจะเป็นถึงขั้นเสี่ยลที่ควรจะดีต่างๆได้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจิตไม่กล้า ป, ปฏิบัติเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเพ่งไปทางพระเครื่อ ง, งต่างๆอันนี้เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่า การกําหนดจิตเ อ, อออกสู่ภายนอกไปทางภาเครื่องหรือต่างๆก็ดีเนี่ยจะมีผลเสียต่อเราอย่างไงครับหรือว่าเป็นแนวทางใช้กับทางด้านที่อาจารย์จะสอนนี้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับเออที่เห็นไฟ น, นั้นเป็นเรื่องของกระสินแล้วในระยะที่อายุอย่างน้อยเนี่ยอารมณ์ต่างๆยังได้มากเพราะฉะนั้นการทําสมาธิมันเกิดขึ้นมาง่าย เวลาแท่งไปที่อพร ะ, ะเครื่องที่จริงนั่นอ่ะถ้าเครื่องคงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอการแท่งกระสินออกไปจากจิตมันกลายเป็นองกระสินขึ้นเมื่อกลายเป็นองกระสินแล้วจิตมันก็ออกไปนอกถ้าออกเป็นอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเอเป็นกะสินนอกถ้าหากว่าทาไปมากๆไม่มีใครควบคุมเนี่ยมัน มัก็จะทําให้เกิดความพุ่งสร้างได้เพราะฉะนั้นทางที่หลวงพ่อแนะนํานี่จึงไม่นมมิยมให้เพ่งออกนอกให้เพ่งเข้ามาอยู่ในตัวจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ให้เท่งเข้ามาอยู่ในตัวไม่ให้เท่งออกไปข้างนอกทั้งนี้เพื่อให้จิตเป็นสมาธิที่สามารถให้เกิดพลังได้อย่างแท้จริง เพราะว่าการแช่งไปนอกเนี่ยพลังมันออกนอกไปถ้าแช่งเข้ามาในตัวของเราเนี่พลังก็จะเก็บไว้ในใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นและฉะนั้นต่อไปก็แช่งระสิตในคือตั้งไว้ที่ในร่างกายของเราเนี่ตรงใดตรงไหนก็ได้ในเมื่อเหมาะกับใจของเราขอบพระคุณครับอาจารย์ต่อไปขอเชิญคุณบังอ่อนช น, นะจิตชุริพงษ์ การมัสการทัานพะอาจารย์ค่ะทิศนี้พ่อเรียนถามท่านพระอาจารย์ดังนี้ค่ะกายทิศหรืออธิชมาลกายนี้เราจะสละได้หรือไม่เจ้าคะอะกายทิศหรืออาชิชมาลกายมสละไม่ได้เพราะว่าอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาวัา น, นี้มีอยู่แต่ว่าเราจะพัฒนา อ, อาชิชมาลกายเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นเวลาที่ เราทำสมาธุเวลาเนี่ยเพื่อเสริมพลังจิตพอพลังจิตพอแล้วเนี่ยอธิษม์นกายนี่ก็จะเป็นควรพี่จะช่วยให้เกิดในสิ่งต่างๆแม้กระทั่งความสุขที่เกิดขึ้นใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในจิตใจตลอดจนกระทั่งยานทานอะไรต่างๆก็้องอาศัยอธิษม์นกายท้งนั้นกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ต่อไปขอเชิญคุณบางออนพันศิษย์ผรวกลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่า ม, มีข้อคำถามอยู่ว่าคำว่าพลังจิตพลังอำนาจและคลื่นสมองเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่เพราะลูกเคยอ่านหนังสือพบว่าขณะที่คนเรานั่งสมาธินั้นสมองของเราจะเกิดคลื่นสมองลักษณะหนึ่งที่ทำให้เกิดรังสีชนิดหนึ่งที่สะสม เมื่อสะสมแล้วจะเกิดการอย่างรู้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการอย่างรู้อันนั้นเกิดจากรังสีที่สะสมในเครื่สมองกับพลังจิตพลังอำนาจสัมพันธ์กันหรือว่าเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ค่ะเออพลังจิตเป็สิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นจากสมาธิในขณะที่จิตได้พลังขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็มีความสัมพันธ์ข้ามไปถึงสมองเพราะการสั่งสเสถียรของสมองนั้นนันจะสัมพันธ์เข้ามาที่จิตของคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นก็เข้าไปสัมพันธ์กับสมองในเวลาต่อไปเมื่ออาศัยพลังจิต มีมากขึ้นพลังจิตเข้าไปเคลียสมองเนี่ยให้มีความสะอาดหรือว่าให้มีใอ้ปัิจุบุญาปัิจุิุาจะเกิดขึ้นปัิจุบุญนั้นหมายถึงว่าเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทนให้สมองเนี่ ไม่ต้องทํางานในสิ่งที่ไม่ต้องการแต่ถ้าหากว่าเพลังจิตไม่ได้เข้าไปเคลียร์ที่สมองเนี่ยสมองจะทํางานตลอดเวลาแล้วก็เวลาไหนที่ใจเราเนี่ไม่ต้องการอยากจะทําแต่สมองมันก็ต้องทําอำนั้นก็ เ, <อ>เ<อ>คลียร์เป็นสิ่งที่สมองจะต้องทํางานมากขึ้น แต่เมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีการควบคุมมาทางใจพอควบคุมทางใจแล้วทางสมองก็ได้ผูดเคลียดด้วยเมื่อเวลาที่ไม่ต้องการจะให้ความนึกคิดนี่ิดไใจมากมากก็สามารถที่จใจหยุดความนึกคิดเหล่านั้นได้ด้วยอำนาจของพลัง เมื่อสมองได้รับการพักผ่อนได้จุดพิสเป็นช่วงระยะเวลาสมองก็จะกลายเป็นสมองที่มีความเฉลียวฉลาดหรือว่ามีความสุก ข, ขึ้นนั้นเสียข้องกันโดยกรณีที่พลังจิตเนี่ไปเคลียร์ที่สมองอีกทีเนึ่ยอ น, นุกรมทต้องโดยรับการอธิบายต่อไปในเวลาข้างหน้าอย่วง น, นี้ก่อนที่ไปชนิดก่อน ขอบคุณด้ยค่ะเอ่อต่อไปขอเชิญคุณบัวขาวราชเกดกลาบนะมัสการพ่ะอาจารย์จ้ะค่ะเอ่อเสร็จมีเรื่องอยากจะเรียนถามพอาจารย์ว่าการที่เข้าพวังเนี่ยมีทั้งคุณและโทษอยากให้พ่อาจารย์อธิบายใช่ค่ะเอ่อการเข้าพวังนั้นอ่ะคือเข้าพวังนานเกินไปก็อาจจะให้โทษ แต่ว่าการเข้าพวังนี้การให้โทษมัมีม้อยเพราะว่ า, ก า, า, า, าการเข้าพาวังมันจะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าเข้าพาวังทางธรรมชาติคือเรานอนหลับตามปกติอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าพาวังโดยการที่เข้าพาวังโดยสมาธิ การเข้าพวังตามปกติมันก็มีผลประโยชน์ทําให้คนเนี่ยมีร่างกายดีได้ทำไมเข้าพวังเนี่มันจะเกิดออาการไม่มีสติเสียสติเกินไปทำไมเข้าพวางาังนะแต่ทีนี้การเข้าพวังสําหรับสมาธิที่ทันให้เกิดพวังนั้นพาวาังอันนี้ก็ มีประโยชน์คุณมีปโยชมากแต่ว่าถ้าหาว่าเขา้าไปอยู่นานเกินไปเา น, นั้นที่จะมีโทษคือว่าทําให้ไม่อยากได้อะไรขึ้นมาเราเรียกว่าเข้าฌานนานเกินไปแต่จริงสรุปนะว่าการเข้าฌานนั้นอะโทษคงมีน้อยขอบคุณค่ะอ่อต่อไปขอเชิญคุณบินชัยสุขิษฐ ราธิคุณสารสารพระอาจารย์ครับอขอให้อาจารย์อธิบายคำว่านั่งผ่านทุกนะครับแล้วอาจารย์ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการนั่งผ่านทุกครับนั่งผ่านทุกแมทมคนทุกนี้ไม่เคยได้ยินห้องพ่อสง่องว่าผ่านทุกใช้เมื่อไรตัวหมายความคนจะหมายความอย่างนี้ว่าคงจะผ่านในความรวดความปวด ความเมื่อความน่ความผิวนี่เอง <c oughs> ในการที่จะรับฐานไปแต่ละครั้งละครั้งนั้นอาจจะต้องใช้ห้านาทูสินาทีอาจจะมากกว่านั้นบางคนก็อาจจะถึง15ห้าี่ิอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าจุดที่บริกรมรมทบไปนั้นมันจะไป ละอุปทานคือละอารมณ์ได้ตอนไหนเมื่อละอารมณ์ได้ตอนไหนเนี่ยมันก็ผ่านพุทธรตอนนั้นครับครัคุณครับเปนี้ื่องบุญญาแล้วนะบุญญาวะมสุภากรถามนักมัธยมอาจารย์เจ้าค่ะจุดขอถามอาจารย์ว่าเคยฝึกสมาธิที่ห้องพระของตัวเองนะคะแล้วก็นอนพัก ในขณะนอนพักนั้นเราหลับตาแต่สิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินออกจากห้องพระค่ะอยาก่กาเรีนถามพระอาจารย์ว่าคืออะไรคะก็คนจะเป็นเพศเพราะว่าโทษมันจะมีมอยู่หลายเรียกว่าภุมมเ ะ, ขขเะเทวดาลุกขะเทวดาเทเศนี่เขจะเาเรียกมีอยู่หลายชืที่เห็นนั่น ควรจะเป็นเพศองคหนึง่งกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่ากลัวจนทุกวันนี้เลยค่ะเอ่อเพศทมานั่นอ่ะเขาก็คงจะไม่อยากจะให้กลัวแต่ว่าที่มาแสดงเขาคงเห็นว่าเรากําลังทำความดีอยากจะให้ทำความดีต่อไปจะได้มีความสุขอย่างนี้นเพราะฉะนั้นต่อไปก็ห้ามไม่ให้กลัวอีกต่อไป เขาเพิ่มครับคือว่าทำใจเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งร้ายแต่เป็นสิน่งดีอ่าต่อไปขเชิญทุนพุนทธศิกษย์จับทองซิ่งจับเรียนพระอาจารย์คือเวลาทำสมาธิรีดพุทโธไปติดกับลมหายใจทำให้บางทีรู้สึกว่าลืมหายใจไปทำยังไงถึงจะแยกพุโทโธออกจากลมหายใจได้ครับหรือว่า เราหายใจเราปล่อยให้เป็นเรื่องของเราหายใจไปพุทโธเราก็นึกของไม่พุทโธเราไม่ต้องให้สัมพันธ์กันก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นกังวลอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจมันจะไม่เลื่อนขั้นขึ้นในตานวดาเราทำสมาธินี่อตามอัตโนมัติกเนี่ยมันจะให้เลื่อนขั้นตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเอ เราเห็นว่าเป็นเรื่องทังวนแล้วเราก็นึกแต่สิทภลมหายใจก็ปล่อยจะเป็นยังไงก็จบแล้วแต่เป็นการฝึกต้องดอีถ้า <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณบุญมีตัิยะโชคจะเป็นมัทสการพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องจะถามอาจารย์เรื่องครับเวลานั่งสมาธินานไปเนี่ย พอเห็นแสงสีแดงก็เข้ามาตรงที่หน้าผาพอเพ่งไปนานๆรู้สึกมันวูบไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ผมก็ถอนกลับมาพอถอนกลับเข้ามารู้สึกช่วงช่วงก่อนนั่งมันรู้สึกเหนื่อยไว้หน่อยเสร็จแล้วพอกลับเข้ามาอีกทีรู้สึกหายไปหมดเลยอยากจะถามพระอาจารย์นั่นเป็นสีเหมือนด้วยเหมือนเดียว เป็นผลหนึ่งครับอ่าที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเนอย่ากังวลดีกว่าเพราะว่ามันเป็นนี่ยะแสจิตของเราเองกระแสจิตอันนี้มันเกิดจากจิตมันสงบพอสงบร่ำก็เกิดพลังพอเกิดพลังก็เกิดกระแสแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องเราก็ทําจิต้เราก็ทำตัวสติ เพื่อให้เกิดพลังสิตเป็นการถูกต้องขอบพระคุณครับอ่าต่อไปขอเชิญคุณยุนีลิมสากนการนักสกันหลวงพ่ออาจารย์จค่ะเออจะอยากถามอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิโดยการฟังเทศกำมืดกิจได้ที่ไหนคะเอ่อการนั่งสมาธิเราเคยกำหนดที่ไหนเรากำหนดอยู่ที่นั่นส่วนการนั่งฟังเทศนั่น <c oughs> เราก็กำหนดใจของเราว่าวค้ดใจเพื่อให้มันกเกิดความรู้เรื่องว่าเวลาเทศเราเทศเรื่ออะไรในขณะธนุกจิจมันตั้งเรื่อแล้เวลาฟังเนี่ยมันจะจำได้เยอะเป็นสมาธิเวลาฟังเทศแต่ว่าต้องอยู่ในสมาธิต้นแล้วก็ให้ไปยนจะปล่อยให้คิด ชอบระวังนั้นจิตการสังเกตแต่ส่วนการทันสมาธินี่พอเวลาเราสร้างจิตดีได้แล้วจิตมันได้จังหวะมันก็จะเล่นเขาวางไปก็เกิดความไม่รู้จุดตัวขึ้นอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณบุญ เ, เดสด็จพระถุนทร์ูรกลาบเรียนอาจารย์ครับอยากถามว่าขอเรียนกลาวเรียนถามว่า ในโลกปัจจุบันนี้ยังมีผู้สำเร็จเป็นเช่าอรหันได้หรือไม่ครับอย่างไรและข้าราว า, านี้จะสําเร็จเป็นเช่าอรหันได้หรือไม่ครับเออโห ส, สังข์พระอรหันเนยในปัจจุบันก็ยังมีนะยังในอนาคตก็ยังมีต่อไปก็พระพุทธเจ้ากล่าว่าเมื่อมักแต่ยังมีอยู่ต่อไปพระอรหันจะไม่ขาดจากโลก าาส่วนพระราชนั้นก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าต้เด็จพระอรหันต์ก็อยู่ได้แฉกเจ็ดดวงต้องปริบัิผ่านคือูนิจใจอและเราจะทราบได้อย่างไรนะฮะการที่เราทราบว่าเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็ระอเมื่อบุคคลคนนั้นต้องเป็นพระอรหันต์กล่าวถึงมรดกครับ ไม่ใช่พูดเลน่นบอดจริงๆต่อไปขอเชิญคุณบุกคาขันทิพคุณบุกคาขันทิพคุณแบบนี้มสกานที่อาจารย์จิตมีข้อสงสัยอยู่นานมาแล้วค่ะไม่เคยถามใครได้บาปและบุญเนี่ยเป็นของคู่กันและเมื่อเราทำความดีสร้างบุญก็สามารถอุทิศแผ่ส่วนกุศลสนบุญให้คนอื่น แต่ทำไมบาปเนี่ยถึงอุอทิศให้ใครไม่ได้เลย <c oughs> บาปถ้าจะอุทิศ บ, บาปให้ใครที่เขาจะแย่เอ้บุญนี่ก็หมายความถึงว่าความดีทันดีจะหมายถึงความว่า แต่ทุกคนที่เกิดขึ้นมานี่ก็ต้องการความผุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ของดีแล้วอย่างเปนตนว่าเรามีเงินมีทองโอกาสของเราดีกว่าคนอื่นเราก็ไปช่วยคนที่กำลังลำบากอยู่ให้เขาสามารถลืมตาอาปากได้ อาจจะไปสร้างโรงเรียนให้อาจจะไปสร้างโรงพยาบาลให้อาจจะแจกทานไปก็ไม่มีข้าวอะไรองเงอันนี้กคเรียกว่าความดีทีนี้ส่วนไม่ดีนั้นก็คึกความยากจนความกดความอยากทีนี้ความกดความอยากนี่เอาไปให้ใครก็คงไม่ไดออ้ต่อไปนี้ฉันจะต้องทาแก้ให้ยากจนแล้ว ก็คงไม่ได้ถ้าใครทำอย่างนั้นก็คงจะต้องเพราะฉะนั้นบาปจึงไม่สามารถถูะแร์ให้ใครได้การขอบพระคุณใจน่าจะน่าจะต้องสมปองนี่ขอคนผท้ายคุณชวีพงกม น, นวัฒนาวิทย์การน้อมสักการณ์ครัอาจารย์ครับ เ, เวลาเราทานข้าวเนี่ยเราทราบว่าเราประมาณได้ว่าเรามีกำลังกายแค่ไหน จะยกของชิ้นนี้ได้หรือเปล่าแต่พลังจิตเนี่ยมีขีดจากัดไหครับอาจารย์ครับอย่าเช่นเราออกกําลังกายเราทานข้าวเราจะรู้ว่าเราสามารถยกโต๊ะตัวนี้หนักๆได้หรือเปล่าแต่พลังจิตเวลาเราฝึกไปมีข้อจํากัดอะไรบ้างครับเห็นเช่นเรื่องอายุเรื่องขนาดของร่างกายหรืออะไรนะฮะพลังจิตมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหยครับหรือว่าไม่มีครับอาจารย์เรื่องของพลังจิตนั้นไม่มีจำกัด คือว่าเรื่องพลังจิตนี้อยู่ที่การสะสมและการสะสมพลังจิตนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนในการของการทําสมาธิแต่ละครั้งพลังนั้นเราเรียกส่วนหนึ่งว่าพลังหลักิตพลังหนึ่งนั้นเรียกว่าพลังเริงรในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งนั้นพลังหลักจะมีอยู่สิบเปอเซ็น พลังเสียจะมีสี่สิเปอร์เซ็นต์ั้นพลังเสรียนั้นจะสลายตัวไปส่วนพลังหลักนั้นจะเก็บไว้ตําลอดไปวันี้พลังอันนี้เมื่อเวลาที่จะสมมากขึ้นพลังอันนี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกําลังใจเมื่อพลังจิตนี้มากขึ้น ก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นตามกำลังของพลังจิตอ น, นี้คือลักษณะของพลังจิตส่วนพลังกายนั้นเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเราจาเป็นคนแค่นี้ยกได้แค่นี้แต่จะยกับมากขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้นี่คือกำลังกายแต่กำลังใจนั้น ก็อยู่ในฐานะเมื่อมีกําลังเท่านี้สามารถทํทำวิปัสสนาได้แต่ถ้าหากว่ากําลังเนี้ยมันไม่ถึงขนาดนี้จะ ท, ทํำวิปัสสนาก็ไม่ได้อันนี้เป็นของจํากัดอยู่แต่ตรงนี้หรือบุคคลต้องการยานอย่างเนี้ยพลังจิตยังไม่ถึงขั้นนั้นจะทํายานไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นก็คตอบได้ยตรงนี้กรรมนักการอาจะ